กานที่ 8. ปปาติเทศนิยะศัพท์นี้เป็นชื่อของอาบัตแปลว่าจะพึงแสดงคืนเป็นชื่อของสิกขาบทแปลว่าปรับด้วยอาบัตปาติเทศนิยะมีสี่สิกขาบทปาติเทศนิยะสิกขาบทที่หนึ่งว่าอนหนึ่งภิกษุใด รับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีด้วยมือของตนจากมือของนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติผู้เข้าไปแล้วสู่ละแวกบ้านเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีอันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าแน่เธอฉันต้องทําที่น่าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทานั้น ตาติเทศนียะสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุลถ้าภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยู่ในที่นั้นว่าจงถวายแกงในองค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ ถ้าคำของภิกษุแม้รูปหนึ่งไม่กล่าวออกไปเพื่อจะรุกดานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่าเนี่ยเธอพวกฉันต้องทําที่น้าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนพวกฉันแสดงคืนทำนั้น ตาติเทสนิยะสิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ก่อนมิใช่ผู้อาพาธรับของเคี้ยก็ดีของฉันก็ดีในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเศขะด้วยมือของตนแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าแน่เธอฉันต้องทำที่น่าติไม่เป็นสบาย ควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนธรรมนั้นคำว่าเซขะนั้นเป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลเบื้องต่ำขึ้นไปจนพระอารหาัตตมักแปลว่าผู้ยังศึกษาคือยังควรจะปฏิบัติเพื่อทำอันสูงขึ้นไปกว่าถ้าสำเร็จอารหาัตผลแล้วเรียกว่าอาเศขะ สกุลใดมีศรัทธากล้าโดยฐานเป็นเศคาแต่ยากจนมีพระพุทธานุญาตให้สงสวดประกาศสมมติตั้งว่าเป็นเศคาและ้ามีให้ภิกษุเข้าไปรับบิณฑบาตในสกุลนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสึกหรอเว้นไว้แต่เขานิมนต์เองหรืออาพาธเมื่อไม่มีปัจจัยขืนเข้าไปปรับอาบัติปาติเทสนิยะด้วยสิกขาบทนี้ หมายเหตุผู้อ่านแนะนำให้ฟังหรืออ่านเพิ่มเติมจากพุทธธรรมฉบับป ร, รับขยายบทที่18เรื่องโสดาบันเพื่อเข้าใจประเด็นนี้โดยละเอียดนะครับสรุปเบื้องต้นคือผู้มีศรัทธากล้าแต่ยากจนบางคนนั้นยอมทำบุญจนหมดตัวแม้ตัวเองลำบากจึงให้เลี่ยงไปรับบิณฑบาตในสกุล น, นั้นเว้นไว้แต่เขานิมนเองหรืออาพาธ ติเทศนียะสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียจมีภัยเฉพาะหน้ารับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อนด้วยมือของตนในวัดที่อยู่ไม่ใช่ผู้อาพาธเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่เธอฉันต้องทำที่หน้าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทำนั้น